พระเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุรอรดรธานีทุกวันของทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นเวลาเดิมใช้วเวลาก็ใช้เวลาเท่าเดิมในการที่จะให้ต้องฟังนั้นได้ฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วนำไปทำนำไปปฏิบัตินาไปใช้งานการนำธรรมะไปใช้งานเนี่ยต้องฟัง หรือว่าเป็นการที่จะฝึกจะทาให้มันเข้าสู่ใจมือหรือว่าปากของเราจะขยับได้ก็อยู่ที่ใจนะใจมันคุมใจมันคุมกายใจมันคุมวาจ า, าใจมันคุมความคิดด้วยถ้ามีความรู้ความเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเราเอามาทำนะไว้ในใจไปถึงว่าทำใจให้เป็นอย่างนั้นเราเอามาทำด้วยวาจาหมายถึงทำวาจาให้เป็นอย่างธรรมนั้นทำทางกายก็คือทำให้กายเนี่ย มือแขนของเราการกระทำทางกายของเราเป็นไปอย่างที่ธรรมานั้นบอกการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติภาษาที่พระเจ้าใจเขาเรียกว่าศิกขาแต่ว่าศิกขาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเขาก็แปลกันว่าศึกษาแต่ว่าศึกษาในสมัยปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความมันแคบลงไปซึ่งหมายถึงการศึกษาในทางห้องเรียนการเรียนการฟังเฉย แต่ก็ว่าสิกานั้นกินความหมายลึกซึ้งลงไปอีกซึ่งหมายถึงว่าเราทำให้เกิดขึ้นด้วยในสมัยก่อนเนี่ยต้องฟังระบบการเรียนการสอนที่เขาเรียนเขาสอนกันเป็นระบบมันยังไม่มีเหมือนในปัจจุบันที่าจะต้องอ้าวคุณอายุเท่านี้คุณไปเข้าปหนปหนเรียนคุณ6ปีคุณก็มาเข้ามอนมห1เรียนไปอีก6ปีก็เข้ามหาวิทยาลัยการศึกษาภาพบังคับก็บอปีอยงนั้น เด็กบางคนเรียนเก่งเรียนดีอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างใช้เวลาน้อยลงนี้ก็มีอันนี้คือการศึกษาที่เป็นไปในระบบที่เขาพูดถึงว่าการศึกษาภาคปริญญารศึกษาภาคบั้งคับการศึกษาที่ต้องเป็นไปในระบบแต่ว่าสมัยก่อนก่อนที่เราจะมีการศึกษาในลักษณะนี้เนี่ยความรู้ความเรียนหรือว่าความเข้าใจในเรื่องสาขาวิชาต่างๆเนี่ยก็อยู่ตามสํานักของครูบาอาจารย์ กุลบานจรางก็จะบอกสอนให้คุณก็ไปอยู่กับสำนักนั้นนะในสำนักนั้นอาจจะมีรูปแบบการเรียนการสอนก็ของแต่ละสำนักแต่ละสำนักไปในสมัยพุทธกาลในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นเหมือนกันเป็นคําสอนที่อ้าวใครอยากรู้อะไรมาจะตอมใหนะ้คนนี้อยากรู้เรื่องนี้ก็ไปตามพระพุทธเจ้าคนนี้คุยกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ชี้แนวทางให้เพิ่มเติมนะคําตอบของพระองค์นั้นก็จะเป็นไปในลักษณะที่แบนไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อม นิพพานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปในลักษณะที่ว่ารู้เล่าจบไปรู้เา่าจบไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวในในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงเป็นลักษณะของพระสูตรพระสูตรนั่นะก็คือบทสนทนาระหว่างเรื่องคนนี้กับคนนี้นะมีพระเจ้าเล่าให้ฟังอย่างนี้จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแตนะ่ก็จบในเรื่องแต่บางทีเนื้อหาในเรื่องราวนี้ก็คล้ายๆให้กับเนื้อหาในเรื่องราวอื่นอื่นพอหลังจากที่พระเจ้า บริณิพานแล้วแต่จริงๆตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ายังยังมีชีวิตยอยู่นั่นแหะเขาก็จะมีการที่พยายามจะรวบรวมคําสอนให้เป็นระบบระเบียบหมวดหมู่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคําสอนของพุทธะตอนที่พระเจ้ายังมีผู้ชนอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นระบบระเบียบนะคือในความคิดในทางธรรมะเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วเรื่องอริยสัจสเป็นต้นเรื่องมังแปดโพชฌงคจ็ดพวกนี้พระเจ้าบัญญัติไว้ละมีเนื้อหาข้อมูลเป็นเรื่องร้อยเรียงกัน เป็นการทํางานที่เป็นระบบอยู่แล้วนะในเรื่องของธรรมะตอนนี้แต่ว่าการสอนนะการสอนก็เป็นลักษณะที่ว่าธรรมะต่อไปให้รู้ให้จําให้เข้าใจเป็นเรื่องบรรดาไปจบในตอนจบในตอนจบในตอ น, น, ตอนซึ่งมันจะไม่เหมือนกับในปัจจุบันนะนะที่ว่าคุณต้องจบป .6 กก น, นะคุณถึงจะขึ้นม .1 ได้นะแต่นี่เป็นลักษณะที่ว่าเอา้าคุณทําได้ตรงไหนคุณทําเลยบางคนศีล ร, รักษามาดีแล้วก็ทําสมาธิเลยบางคนสมาธิดีแล้วก็บอกเรื่องปัญญาให้ทราบเลย อย่างเช่นเรื่องของพิสุภาหยะอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีสมาธิลึกซึ้งอยู่แล้วนะสแสดงธรรมนิดเดียวเข้าใจทันทนะีบอกว่าเห็นสักว่าเห็นไดนะ้ยินสักว่าได้ยินนะแค่นีนะ้เข้าใจแจมแจ้งเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วเพราะว่าศีลกับสมาธิของท่านก็มีอยู่แล้วอย่างนี้ไปตนตนะ่เพราะนั้นอาการที่เราจะศึกษาปฏิบัติในทางคําสอนของพุทธะเนี่ยก็คือเราเออกมาส่งไปในใจให้ได้แล้วมาปฏิบัตินั่นเองทุกข้อเนะี่ยท่านบฟังปฏิบัติได้หมดปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นะัจิตใจของเราหนึ่งแน่นอนแตนะมีธรรมะอยู่ในใจบุคคลที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยจะไม่มีใครทํามันตรายแตนะ่พูดที่มีธรรมะรักษาได้เลยแตนะ่เพราะว่าจิตใจนั้นมีพุทธธรรมะสังฆะนะอยู่ในใจนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่นะพอจิตใจเป็นลักษณะนี้แล้วกายกับวาจา ก, ก็ได้รับการรักษาไปด้วยแตนะ่ซึ่งถ้าการแสดงออกนะคนที่จิตใจมีธรรมะเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่แนะก็มีการแสดงออกทางกายทางวาจานัาานลักษณะ ที่มีความเมตตากับลูกแต่ถ้าเป็นลูกจิใตใจมีธรรมะก็แสดงออกทางกายทางบาจาในลักษณะที่มีความกตัญญูกตเวทีมีความมาน้อมถ่ทำตนแต่ถ้าเป็นลูกน้องจิงใตใจที่มีธรรมะอย่างนี้ก็แสดงออกทางกายทางบาจาในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความซื่อสัตย์กระยันขันแข็งทํางานอย่างเต็มที่ถ้าเป็นเจ้านายหัวหน้าแต่จิใตใจที่มีธรรมะอย่างนี้ก็าายยแสดงออกในรูปของการที่ให้ทํางานตามกําลังมีวันหยุดวันพักให้ มีการให้ค่าจ้างรางวัลในที่เหมาะสมในมีวิสัยทัศน์ต่างๆก็ราลว่าจิตใจที่มีธรรมะนั่นเองธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจนั้นจะทําให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่รักษาตัวเราด้วยแต่คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากธรรมะที่อยู่ในใจเราด้วยในซึ่งรูปแบบในการที่ท่านบูฟังทั้งหลายจะทรงธรรมะเอาไว้ในจิตเราก็สามารถที่ทําได้ในหลายรูปแบบท่านฟังบางคนอาจจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามวัดตามว่า บางคนอาจจะฟังธรรมะแล้วก็ใคร่ครวนพิจารณาทรงไว้ในใจบางคนอาจจะสวดมนต์บางคนอาจจะสอนธรรมะบางคนอาจจะฟังธรรมะจากคนอื่นนะทางวิทยุก็ตามทางซีดีหรือว่าฟังจากใครเทศให้ฟังก็ได้ทั้งนั้นคือคนที่พูดกล่าวธรรมะเองเนี่ยการกล่าวไปการพูดไปในการใคร่ครวนไปมันก็ทําให้ใจิตใจมีปิติประโมดก็มีธรรมะเกิดขึ้นในใจได้เหมือนกันผู้ฟังเองก็เป็นอย่างนั้นได้ คนสวนมนต์ก็เป็นอย่างนั้นได้คนนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นได้คนที่ฟังก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรร ม, มะให้เข้าใจเกิดการที่ส่งไว้ในใจแล้วไม่ว่าจะจากวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเนี่ยลักษณะนี้ก็คือการที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือว่าไม่ใช่ทําธรร ม, มะนั้นให้เสียชื่อของเขาแต่ลว่าทําธรร ม, มะนั้นให้มันสมกับชื่อของธรร ม, มะสิ่งนั้ น, น, น คือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติควรจะทําให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่เรามาทำเอามาปฏิบัติให้น้อมเข้าสู่ตัวนั่นถึงจะสมของความเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ในที่นี้ในเรื่องของลึกๆในจิตเลยเนี่ยแน่นอนมันเริ่มจากจิตของเราก่อนนะไปรับรู้ทางตาทา ง, ทางหูแนะจิตนั้นก็ต้องมีสติคนที่มีสติแล้วใ น, นการแสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นก็จะเป็นไปประโยชน์เพื่อทั้งสองฝ่าย ทีนี้รูปแบบของการแสดงออกที่มันจะออกมาทาง้งตาทาั้งหูทั้งใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะหมวดธรรมหมวดธรรมะอันหนึ่งที่จะเป็นหลักการในการที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้นะมีความสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองกันได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแนะมีการเลิกถึงซึ่งกันและกันด้วยความดีงามนี้เป็นผลของการที่คุณจะต้องมีธนะรรมะดังนั้นไอ้หมวดธรรมตรงเนี้ย พระพุเจ้าให้ชื่อว่าสารณีธรรมแนะสารยธรรมก็คือทํามันเป็นเหตุที่ให้ระลึกถึงกันหรือว่าทําเป็นเหตุที่จะทําให้อยู่ร่วมกันได้บุก ง, ง่ายๆก็คือจะทำให้มีความสามัคคีปลองดองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ถ้าใจิตใจที่มีสติทรงธรรมเหล่านี้ไว้นที่พระพเจ้าจะบูตถึงคือสารณีธรรม6อย่างนะใจิตใจเรามีสติทรงธรรม6อย่างเหล่านี้ไว้แล่นมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการที่จะทําให้ สังคมหรือหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยประสงค์อยู่ในวัดเดียวกันก็สามัคคีกันได้คนทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันทีมงานเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมานฉันท์ระลึกถึงกันมีความพอใจซึ่งกันและกันได้มองกันและกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นธรรมะหมวดตรงนี้ก็เรียกว่าสารณียธรรมแสารณียธรรมมีอะไรบ้าง6อย่างหน้าแรกก็คือเรื่องของเมตตา ก็ไ้หนึ่งคือเมตตาทางกายนังก็ที่2คือเมตตาทางวาจานังก็ที่3คือเมตตาทางใจนัเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจหมายความว่าไงหนัเมตตาแปลว่าความที่ปรารถนาดีนังปรารถนาให้บุคคลนี้เนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายหนังที่จะเป็นไปเพื่อที่จะแสดงถึงความปรารถนาดีนั้นในทางกายทางวาจาก็ด้วยทางใจก็ด้วย เอายุบต่างเรื่องของทางใจก่อนนะสามารถเห็นได้ชัดเจนง่ายๆเช่นว่าแม่รักลูกแม่รักลูกก็ปรารถนาดนะีให้ลูกนั้นเจริญเติบโตขึ้นมามีความสุขมีหน้าที่การงานต่างๆนะนี่คือความรักที่แม่มีต่อลูกก็คือลักษณะของความเมตาตานี่คือใจเป็นอย่างนั้นนะแล้วแม่ทําอะไรด้วยแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีอุจระปัศวะนอนจมกองมูดกองคูดลูกมันไม่รู้จักเช็ดก้นเช็ดล้าง เอาแม่ก็ทําให้และการกระทํานั้นก็ไม่ได่าไม่ว่านั่นก็เป็นวัจีกรรมด้วยเรียกว่าเป็นเมตตาวัจีกรรมเป็นเมตตากายกรรมแล่นมันมาด้วยกันสามอย่างนี้ก็มาด้วยกันแต่ถ้าใจมีจิตที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันและกันแล้วเนี่ยวาจาใจมันก็ไปแต่นี้บางทีวาจาใจมันอาจไม่ไปเราก็ฝึกให้มันมีให้พูดออกมาถ้าเป็นสามีภรรยาหน้าที่ของสามีก็คือไม่ดูหมิน่นในการไม่กล่าววาจาดูหมิ่นเา้า แต่กาววาจาในลักษณะที่ยกย่องเขาอันนี้ก็แสดงถึงการมีเมตตาวรจีกรรเหมือนกันแต่ซึ่งมันก็จอดสอดคล้องกับเรื่องของหน้าที่ของสามีที่ต้องมีต่อภรรยาในเรื่อ ง, องความที่จะต้องไม่ดูหมินพูดพูจา ย, ยกย่องก็เป็นเมตตาทางวาจาในนี้ตัวอย่างของสามีภรรยาหรือว่าถ้าถ้าเป็นมารดาบิดากับลูกมารดาบิดามีหน้าที่กับลูกก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาป การกระทําตรงนั้นบางทีก็ต้องใช้ทําให้ดูเนี่ยทำให้ดูก็สอนด้วยการทําให้ดูเนี่ยก็เป็นการกระทรําที่ให้เขาปรารถนาดีในปรารถนาดีในการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีปรารถนาดีในการที่จะให้เขาห้ามเสียจากบาปเนั่ยหยุดจากบาปได้การกระทรําให้ดูตรงนั้นก็เป็นเมตตากายกรรมแล้วก็ออกมาจากจิตบาดหนาจากจิตที่มีเมตตามโนกรรมซึ่งไอ้ความเมตตาทางกายทางวาจาใจเนี่ยท่านผู้ฟังบางอย่างบางทีมันก็ ฝืนท่ฝืนทำก็ทําย่งเช่นบางทีบางคนอาจจะทําเมตตาทางใจให้เกิดขึ้นไม่ได้คนนี้ฉันไม่ชอบแต่ก็ฝืนทำฝืนทําอะไระฝืนทำเมตตาวจีกรรมฝืนทําเมตตากายกรรมเราอาจจะรู้สึกเครื่องเครื่องกับคนนี้แม่ทางานร่วมกันมันทําไมทําอย่างนี้ทำไมมันพูดจายอย่างนี้แต่ถ้าเรามีเมตตาวจีกรรมถ้าเรามีเมตตากายกรรมแเราฝึกไปทําไปฝืนไปช่วยเหลือเขาบ้าง ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าพูดจากันให้ดีงามไม่พูดจาให้แตกกันพูดจาในการที่จะส่งเสริมไม่เกิดความสามกีกันนั่นก็จะอยู่ได้นะจะอยู่ร่วมกันได้เขาก็จะระดึกถึงเราคนที่มีลักษณะเมตตาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติ11อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงคุณสมบัติผลอ น, นิสงของเมตตาทั้งหมด สิเอย่างเช่นว่าการที่จะเป็นที่รักของมนุษย์การที่จะเป็นที่รักของอามนุษย์ด้วยนะอาบมนุษย์ก็อย่างเทวดาอินพรอมพวกนี้เป็นลักษณะของอามนุษยนะ์เวลานอนก็ไม่ฝันร้ายเวลาหลับเวลาตื่นนะก็เป็นสุขแล้วนะก็ยังมีผิวบันผุดพองแนะเป็นผู้ที่อันตรายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะคล้าวคลาดปลอดภัยไปได้เพราะฉะนั้นนอกจากจะรักษาผู้อื่นนะใน3มข้อแรกเนี่ย รักษาผู้อื่นในเรื่องของความที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ความที่จะให้สามัคคีกันได้ระลึกถึงกันได้นะ่ะมีเมตตาตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มาวัดตป็นหวังคนที่ไปวัดคนที่เข้าออกวัดใส่บาตบ้างไปทําบุญบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างนะ่ะคนไปวัดมันก็เยอะใช่ไหมนะ่ะให้เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อกันและกันนะอาจจะไม่ชอบคนนี้ทําไมคนนี้มาถามคําถา ม, ถา ม, ถามแบบนี้น่ะเดี๋ยวเ ๆ, ๆีคิดให้มันดีคิดให้มันดีนะการคิดดี นะก็คือคิดอย่างจิต ท, ที่มีเมตตานี่แหละนะมองเนี่ยนะมองตากันเนี่ยมองแลดูกันเนี่ยด้วยสายตาแห่งคนที่อย่างรักให้กันเป็นอยู่จะพูดอะไรนะก็พูดที่จะให้ถนอมน้ําใจกันพูดอะไรที่มันจะทําให้เคืองกันหรือทําอะไรที่จะให้เขาไม่พอใจเนี่ยเราก็หยุดซะไม่ทํา แ, แต่ทําอะไรที่จะทําให้เกิดความสมรสมาสามัคคีทําอะไรในการที่จะให้แสดงถึงความเป็นพูดที่ปรารถนาดีต่อกันและกัน าการกระทำํำด้วยกายการกระทําทางวาจาหรือทางใจตรงนี้ัจะเป็นเครื่องที่จะสมัครสมานสามเณรในคนในชุมชนนั้นในหมู่นั้นในบริษัทนั้นในกลุ่มนั้นนะให้ระลึกถึงการอยู่ร่วมกันสามเณรบรองดองการสมานฉันท์กันได้แต่ตรงนี้คือ3มข้อแรกในสารณียธรรมทั้งหมด6ประการนั่นคือเรื่องของเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาและเมตตาทางใจ แตนะ่ซึ่งซึ่งเราทำอยู่เป็นประจำเสมอฝั ง, งตื่นเช้ามาคุณก็คิดละ่นะเออกไปลงนอกบางทีคุณก็พูดไหนะยังไม่ทันพูดบางทีทำนั่นทำนี่ก่อนเตรียมอาหารให้ลูกก่อนเตรียมอาหารให้ผัวก่อนเตรียมอาหารให้ลูกก่อนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กิจการงานนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำเนี่ยทำด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้ทำด้วยความที่ปรารถนาดีต่อกันละกันนะครับก็เราจะอยู่เป็นสุขแน่นอนแตนะ่ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างรวมถึงในบริษทัทนะในกลุ่มคน มูนภิกษุด้วยนักบวชในรูปแบบต่างๆนั่นก็จะอยู่กันได้อย่างนี้แล้วก็ข้อที่4ี่ท่านผู้ฟังในการที่จะแบ่งปันกันพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสาธารณโภคีนะโภคีก็หมายถึงทรัพย์หรือหมายถึงสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เป็นทรัพย์หรือเป็นถ้าเป็นภิกษุก็ปัจจัยสี่แบ่งกันสาธารณะก็คือเปิดให้เป็นสาธารณะกับคนในหมู่นั้นนะแบ่งกันโดยเสมอภาคบ้างแบ่งกันตาม เหตุผลบ้างแบ่งปันลาบที่ตัวเองได้ไว้ไม่เก็บไว้เฉพาะคนเดียวมีอะไรก็ให้การแบ่งปันกันอย่างภิกษุเนี่ยจจะไม่มีเงินทองแต่ไม่ได้รับเงินรับทองเพราะฉะนั้นสมบัติอะไรล่ะลาบปะระหลที่เราจะมีแล้วก็อาหารในบาทหรือแม้แต่จีวปรปัจจัยสี่ที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แบ่งปันกันแต่แม้แต่อาหารในบาทพระพุทเจ้าว่าไงงั้นเราก็ยังแบ่งกัน ดังนันก็จะเป็นธรรมะในะที่ทําให้เกิดความรักกันระลึกถึงกันรบกันสงเคราะห์กันทําให้เกิดการไม่วิวาดกันมีความร่มเริงกันมีความอยู่เป็นสุขกันได้นี่คือข้อที่สี่นคือการที่รู้จักแบ่งปันนั่นเองอีกประการหนึ่งท่านฟังเมื่อสกรูพูดถึงเรื่องของ3ข้อแรกใช่ไหมคือเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจนี่ประเด็นหนึ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือว่าทำเนี่ยทำทั้งในที่แจ้งและในที่รับด้วยนะทำทั้งในที่แจ้ง และในที่ลับในเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแต่ทําในที่แจ้งหมายความาว่าไงบางคนอาจคิดว่าทําทางในที่แจ้งเนี่ยก็คือให้คนอื่นเห็นด้วยแต่ทําในที่ลับก็คือทําคนเดียวแต่คณอื่นไม่เห็นอันนี้ก็ได้น่ะยะหนึ่งการการะทําทางกายบางทีเราทําคนเดียวเช่นว่าเราจัดที่ตั้งน้ําใช้น้ำฉันเอาไว้ให้กับหมู่พิกสุท์ทั้งหลายแตกระทําด้วยจิตที่เป็นเมตตาแต่ถ้าคุณไม่เห็นแต่คนอื่นไม่เห็นอันนี้ก็เป็นระยะที่หนึ่งในการที่เรียกว่าทําในที่ลับ หรือแวะแต่เขาเห็นเราก็ยังทำํำ น, นี้ก็คือทำเป็นที่แจง้งอย่างนี้ก็ได้เดือดรึบางทีบางคนอาจจะเข้าใจว่ากายกับวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําเป็นที่แจง้งต่อให้คุณอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวคุณพูดอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้คนอื่นไม่เห็นแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่เขามีตาทิพหรือว่าพวกเทวดาจะเห็นแต่ถ้าพูดถึงความคิดในใจเราคิดอย่างไรเขาไม่รู้ อันนี้ก็เป็นอีกนยัยยะหนึ่งในะที่พูดถึงเรื่องของในที่ลับแต่จริงๆความลับเนี่ยไม่มีในโลกเลยท่านผูฟังเพราะว่าคนที่เขารู้วาระจิตคนอื่นก็มีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราคิดอยู่ในใจค็เื่องอาจจะรู้ก็ได้แตเพราะนั้นคําว่าในที่แจ้งและในที่ลับในที่นี้นนก็คงจะหมายถึงเวลาที่เราทําเราจะไม่ต้องบอกใครก็ได้หรือจะทําทให้คหนอื่นเห็นก็ได้ไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นในข้อที่4ี่เขาพูดถึงเวลาเรื่องของ การที่รู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์หรือว่าลาบอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแบ่งกันให้ให้กันก็จะเป็นธรรมข้อที่4ข้อที่5ก็คือเรื่องของศีลท่านู้ฟังนะั้เป็นศีลชนิดที่ดีนะคำว่าดีในี่กลาเป็นคนวัดก็พระอริยเจ้านั่นเองในพระชากำหนดเอาไว้ศนะีลดีอย่างตำตำขั้นต่ำที่สุดก็ศีลหศีลที่ดีขึ้นมาอีกก็ศีล8ปนดะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ศีลนะก็ต้องเสมอกัน ศีลที่จะไม่เป็นไปเพื่อตัญหาและทิฏฐนะิไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิลูบคลำนะก็หมายความว่าไม่ใช่ศีลละพัตตประมาทละไม่ใช่การกระทํามันใดอันหนึ่งทางกายทางวาจาชนิดที่มันจะทําแล้วไม่เกิดประโยชนนะ์ไม่มีสาระแต่เป็นการกระทําอันเป็นปกติอย่างใดอย่างหนึ่งในะเรื่องของศีลศีลไว้ว่าความเป็นปกติในการที่จะทำแล้วก็เป็นองค์ประกอบ1ส่วนหนึ่งนะในอริยมรรคมีองค์แเป็นศีลที่เรียกว่าเสมอกัน แต่ศีลที่ไม่เสมอกันเป็นอย่างไรอย่างเช่นบางทีสามีรักษาศีลแแต่ภรรยารักษาศีลห้ามันก็อยู่กันไม่ได้ละเพราะว่าคนหนึ่งก็จะประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งก็ปฏิบัติแค่ศีลหมันก็จะมีความคิดคนละแบบและหรือว่าแม้แต่ภิกษุภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกันเรื่องของทุดงควัตนี่ก็ใช่เหมือนกันองค์หนึ่งรักษาตุดงควัตข้ อ, อนี้เป็นประจําอีกองค์เหนือ จ, จะไม่ได้รักษา อันนี้อาจจะยืงๆเบี่ยงเบียงไม่ตรงกันบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักๆยังไงก็ต้องมีให้ตรงกันนะอย่างพิสูจน์มีศีลนะเป็นหลายร้อยหลายพันข้อก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยให้มันตรงกันอาจจะส่วนใหญ่ๆเช่นปาราชิกสีเช่นสังฆาทิเศษหรือว่าศีลหลักๆเนี่ยจะต้องมีให้ตรงกันให้เสมอกันตรงกันเสมอกันแล้วเอาข้อปลีกย่อยแล้วก็คอยดูกันคอยร่วมกันปฏิบัติ ในเรื่องนี้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงท่านพระมหากระสปะด้วยเหมือนกันและที่ท่านนนั้มีธุดงควัตตและอยู่เป็นประจำอยู่หลายข้อ23ข้อน้ำมูภิกษุที่อยู่กับท่านมหากระสปะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติทุดงควัตตนั้นเหมือนกันมีภิกษุอีกรูปหนึ่งเจริญอนาปานสติน้ำมูที่มูคณะที่อยู่กับภิกษุเหล่านั้นเขาก็เจริญอานาปานสติเหมือนกันมีภิกษุอีกรูปหนึ่งเขาเชี่ยวชาญการทําในเรื่องของกายคตาสติ พิจารณาสุภาพอะไรต่างๆนโะมูภิกษุที่อยู่กับเขาแล้วก็เจริญกายคตาสติพิจารณาสุภาพเหมือนกันแในะพูดถึงความที่ธาตุเนี่ยมันจะเข้ากันได้แน่นอนท่านผู้ฟังนะเทวทัศน์ก็เหมือนกันเทวทธาตุมูที่อยู่กับเทวทศัศนะ์แล้วก็ลักษณะเดียวกันกับเทวทธาตนะุคนชั่วก็อยู่คนชั่วมันก็เป็นไปอย่างนั้นคนเราก็ย่อมเข้ากันได้โดยธาตุซึ่งธาตุตรงนั้นนะก็มีนัยตะต่างๆละเรื่องการปฏิบัติทางกายทางวาจา ความคิดความนึกตรงนี้ก็ต้องสอดคล้องกันเสมอๆกันพอๆกันเนี่ยมันจะอยู่กันได้นะอีก ข, อ 1, ขอ 6, อ้อหนึ่งข้อที่6กท่าฟังคือเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้ก็คือลักษณะของสัมมาทิฏฐินะคือถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะต้องเข้ากันได้กับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิละมันก็เป็นไปตามนั้นแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินันก็จะเข้ากันได้อยู่ร่วมกันได้สามัคคีกันได้แล้วก็ด้วยกันกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิในระดับเดียวกันใกล้เคียงกัน ซึ่งมาตรฐานของทิฏฐิที่พระเจ้าตั้งไว้ในที่นี้นะก็คือสัมมาทิฏฐิในชนิดที่ว่าเป็นอริยสัจสีเพื่อให้เกิดความสิ้นทุกข์โดยชอบนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิในส่วนของอริยมรรคมีของแปดนะก็ต้องเห็นหลักนะมันก็มีอยู่2ส่วนนะส่วนชนิดที่ยังเป็นโลกิยะเช่นเรื่องของทานมีบาปมีบุญมีพ่อแม่มีเทวดามีพระเจ้ามีพวกนี้เราต้องมีความเชื่อมีความเห็นให้มันตรงกัน ถ้าเห็นตรงนี้ยังไม่ตรงกันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ความเห็นในระดับแรกนี้ตรงกันละแต่ความเห็นในระดับที่สองที่พูดถึงเรื่องของริยสัจสี่ตรงนี้ก็ต้องตรงกันด้วยแต่บางคนนึงบอกว่าต้องละทุกอีกคนนึงบอกเข้าใจทุกอีมันไม่ค่อยเข้ากันนะมันไม่ตรงกันสักอันใดอันหนึ่ง่ทุกนี่ต้องทําความเข้าใจไม่ใช่ละตัณหาตั้งหากที่ต้องละเข้าใจให้ตรงกันแล้วถูกแล้วเนิ่มไปด้วยกันได้หกอย่างนี้ต้องฟังจะเป็นไปเพื่อที่ความอยู่ร่วมกันอย่างพาสุก คนที่มีลักษณะเดียวกันนี้6กอย่างนี้เนี่ยก็จะระลึกถึงกันนําไปไหนก็จะคิดถึงกันมีความรักซึ่งกันและกันมองกันเนี่ยด้วยสายตาของคนที่ยังรักใคร่กันเป็นอยู่นไม่ได้แบบมองตาเขียวใสเห็นกันก็ระลึกถึงกันมีความเคารพกันไปไหนก็สงเคราะห์กันไม่วิวาทกันมีความพร้อมเปรียงกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีปลองดองกันสาระนิยธรรมหกจำฝัง จิตใจที่เราจะตั้งไว้ในสารณียธรรมทั้ง6อย่างได้เนี่ยแน่นอนจิตใจเราต้องมีสติดังนั้นสติเนี่ยเป็นเรื่สติเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นธรรมอันเอกเลยนั่นที่ตั้งแต่อยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะนะก็บอกว่าเป็นทางสายเอกนนในการที่จะทําให้สัตว์นั้นถึงความรู้ยิ่งรูปพร้อมนิพพานได้เรื่องของสติะมีสติตั้งมั่นไว้แล้วเออแหมมันจะมีความคิดแบบไม่พอใจคนนี้ คนนี้มันอยู่ในกลุ่มเราพวกเราบริษัทเราแต่ว่าทําไมมันทําอย่างนี้แต่บางทีพระใหม่บวชมาไอ้ทําไม่ถูกพูดจาไม่เข้าหูเอาอดอทนว่าอดทนไว้ออนวะเราก็ให้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีอะไรก็แบ่งปันให้มีอะไรก็พูดจา ก, กันดีๆนะศีนี้เป็นมารตรฐานอยู่แล้วแต่อยู่ในสถานะใดก็รักษาศีลของตัวเองให้ดีถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะก็ต้องศีลแปดขึ้นไป แต่ถ้าเป็นผู้ที่ยังครองเรือนยังมีความสุขในการกินข้าวเย็นจับเงินและทองพวกนี้ก็รักษาศีลห้าไปให้มันเสมอกันในข้อปฏิบัติต่างๆความเห็นเราก็มีให้ตรงในเรื่องของสมาธิิในเรื่องของคําสอนของพุทธะนะว่ายังมีอยู่นะว่ายังเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานได้จะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่คนเรามีอินทรีย์ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆปรับเอาแต่เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ เวลาเราทำเราปฏิบัติเนี่ยตามฝันมันเริ่มจากใจหนาะให้ใจของเรานั้นเป็นจิตที่มีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนอย่าเป็นจิตที่แข็งกระด้างมีเรื่องราวใดๆบางทีเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่ธรรมดามันเป็นเรื่องของโลกมันเกิดขึ้นได้ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจะเป็นเรื่องทดสอบในการที่เราจะตั้งสติของเราได้ไหมเราจะทรงอยู่ในมรรคได้ไหมมรรคคือหนทางที่เราจะไปสู่นิพพานได้ถ้าคุณออกนอกทางมีความก่อเกิดขึ้น คุณออกน้องตามมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแลนะนี่คือคุณเสียเวลาเสียเวลาคนะ่าเสียเวลาเนี่ยแพงนะท่านผฟังคนะ่าเสียเวลาแพงใครเป็นคนจ่ายแล้วก็เจ้าของจิตนั่นแหละจ่ายนะจ่ายแล้วจ่ายต้องครบด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมาดฉะนั้นเวลาเราทําเราปฏิบัติในรักษาจิตใจของเราให้ดีนะทําความคิดนึกให้เหมาะสมจำแจ้งนะเรามีคุณธรรมหกอย่างนี้เรื่องของสาระนิยธรรมหกนะมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจ ทางต่อหน้าและลับหลังนะมีการแบ่งปันทราบแบ่งตันลาบที่เตืองได้มามีศีลและทิฏฐิเสมอกันันะจะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันจะเป็นไปเพื่อความสามัคคีกันจะเป็นไปเพื่อที่ให้เกิดความปรองดองมีความรองดองมีความสมานฉันทนะ์สังคมเราจะอยู่เป็นสุขได้เต็มฝั่ ง, งไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆ 2- อสามคนสีหคนในครอบครัวเราหรือเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นมาในหมู่บ้านในบริษัทในองค์กรที่ทํางาน จะเป็นสถานที่ราชการหรือเอกชนก็าตามหรือแม้แต่ในวัดหนะมู่ภิกษกุก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครบ้านญาติโยมที่ไปวัดก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกิเลสทั้งฝั่งต้องเอาออกอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาแตนะ่โผล่ขึ้นมาต้องตัดมันออกมันมาเรื่อดีแล้วตัดมันออกอย่าให้มันมากลุ่มๆในจิตของเราแตนะ่ตัดมันออกได้ด้วยสติด้วยปัญญานั่นเองทรงธรรมะเหล่านี้ไว้เทั้งฝันะ่งเราอยู่ในทางเราเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแส ไปตามขนทางที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานได้หนึง่งกัปจาพระมหาไพบุญอภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกตำบลฟังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอใดใดๆ ไ, ไ, ได้ต่อกับทางรายการมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรไปที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรายปริศนีสี่หนึ่งหนึ่งสามศูนหรือว่าถ้าสดวกทางเว็บไซต์ kapiothama.com p u r e d h a m m a c เ m มนาคมเาน